อาจารย์พจนาอยู่ไหนอาจารย์พานักเรียนมากี่คนได้เ อ, อ่ออายุสักเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ได้แกำลังเรียนเด็กเดเรียนง่ายนะกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กเรียนง่ายกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรียนยากยิ่งผู้ใหญ่ที่เคยฝึกกรรมฐานมาก่อนนะสนใจไปฝึกบังคับจิตให้นิ่ง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 แต่กระทั่งเราสามารถมีชีวิตอยู่กับโลกได้อย่างทุกน้อยน้ยทุกน้ยน้อยถ้าภาวนาสุดขีดก็จะไม่มีความทุกข์ทางใจอีกเลยเหลือแต่ทุกทางกายล้วนๆ้นเลยการปฏิบัติการภาวนานะไม่ได้ยากอะไรนะพวกเราเรียนหนังสือมากๆก็เราก็ต้องฝึกกรรมฐานแบบคนเรียนมากพวกเรียนมากพวกคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะที่สุดเลยนะคือการรู้ทันใจตัวเอง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 จูจีจ้จุกจิกขี้บนนะนิสัยไม่ค่อยจะดีอะไรๆ ไ, ไม่ดีเราโทษก่อนเดีนไว้มก่อนเพราะพวกเราต้องรู้สึกว่าตัวเราดีไ้ก่อน <c oughs> ขนาดใจของเรานะเห็นคนสองคนใจเรายังไม่เท่ากันเลยไม่ ใ, ใจเราเนี่ยไม่ได้มีความเที่ยงธรรมจริงหรอกเห็นคนนี้เราก็ชอบเห็นคนนี้เราก็เกลียดกรรมฐานในการดูจิต ด, ดูใจนะพูดง่ายๆเรียกว่ากรรมฐานวัดใจวัดใจตัวเองไปไ้นย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 รู้จักหดหูไหมรู้จักเซ็งเซ็งไหมรู้จักเบื่อไหมรู้จักกลัวไหมรู้จักกังวลไหมแม้เรารู้จักทุกอย่างเลยนะดีใจเราก็รู้จักเสียใจเราก็รู้จักมีแต่นักเรียนชายหรือมีนักเรียนหญิงไหมผู้หญิงโอ้มีอยู่สองสามคนผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ผู้หญิงพ่อแม่คงไม่ยอมให้มามื่อผู้ชายถามผู้ชายเคยอิจฉาไหม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 โกรธนานที่สุดเท่าไหรนะ่ไหนใครเคยโกรธหนึ่งปีมีไหมเด็กๆใครโกรธนานที่สุดเท่าไหรม่มีไหมใครเคยโกรธ ถ, ถึงหนึ่งเดือนมั้งมีไหมใครเคยโกรธหนึ่งอาทิตย์มีไหมไม่มีเลยเหรอช่างเมตตาช่างให้อภยัยซะจริงนะเนอะอ้าวใครเคยโกรธหนึ่งวันมีไหมนี่เริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วนี่พวกนี้โกรธหนึ่งวัน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 เห็นไหมความรู้สึกของเราเปลี่ย น, หนไหมได้ยินว่าหลวงพ่อจะตรวจการบ้านท่านนะโอ้ยเครียดแล้วอย่างต้งนะไม่ใช่เครียดอย่างเดียวต้องสักชักไส เ, ออเห็นไหซส้มรู้สึกไหมชักแย่แย เ, ออเห็นไหมคนไทยมีความรู้สึกเยอะนะแยะแยอย่างนี้จะแปลเป็นภาษาอังกฤษยากตายชักเลย <c oughs> มีบางคนพยายามจะมาแปลเทธที่หลวงพ่อเทศนะไม่แน่จริงหลอกแปลไม่ไหวหรอกนะ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 ถ้ามีกรรมมาก็ขอให้มันกัดถ้าไม่มีกรรมก็ให้แคล้วคลาดเนี่ยกำลังทํากรรมใหม่อยู่คือโง่นะหมาบ้าวิ่งมานะแล้วแต่เวรแต่กรรมนี่โง่นะทํากรรมใหม่ที่โง่หมาก็กัดเ่าแหละนะไม่จําเป็นต้องกรรมเก่านานหนกนะเพราะเราคอยรู้ทันใจของเรานะความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนเช่นเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวใจมันกลัวแล้วรู้ทันว่าใจกลัวนะแล้ววิ่งเลยนะหลบไปซะนะ สซ่เราไปกับเพื่อนเนี่ยหมาว่าวิ่งมาเราไม่ต้องวิ่งเร็วมากหรอกไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วกว่าหมาวิ่งเร็วกว่าเพื่อนก็พอแล้ว <c oughs> ใครมันจะไปวิ่งเร็วกว่าหมาใช่มเ <c oughs> นี่ยเราต้องมีสติปัญญานะ <c oughs> แต่ถ้าเราจะเสียสละนะเพื่อนจะถูกกัดเราไปกวางไว้อันนี้เราสร้างบารามีนะืวดอะเรื่องกันนะ <c oughs> ง้นเราหัดรู้นะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนเราค่อยรู้เช่นเราเห็นสาว เนี่ยสิบหกสิบเจ็ดแล้วปิ๊งสาวบ้างยังรู้สึกไหมสาวชักสวยกว่าแต่ก่อนตอนเด็กๆ เ, เรียนหนังสือกับเพื่อนผู้หญิงรู้สึกไหมมันน่าลาคาอตอนนี้เห็นหน้ามันนะมันชักหน้าเอนดูแล้วอายุขนาดเนี้ยพอเราเห็นคนนี้นะใจเราชอบเห็นไหมความชอบเกิดขึ้นก่อนนะแล้วเราก็รู้ทันว่าโอ้แอบไปชอบเขาเข้าแล้วมีคําว่าแล้วด้วยะไปชอบเขาเข้าแล้วเราก็รู้ทันใจที่ชอบเนี่ย เห็นคนนี้มันด่าเรานะความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าโกรธพวกเราอย่าไปจ้องไว้ก่อนหลายคนดูจิตเนี่ยใช้วิธีไปจ้องรอดูเอาละเคาะระคังแก้งต่อไปนี้จะเริ่มดูจิตแก้งจ้องดูเมื่อไหร่จะมีอะไรโผล่มาให้ดูไม่มีอะไรให้ดูเลยทุกอย่างจะนิ่งไปหมดเพราะเราไปจ้องไว้ก่อนการที่เราไปจ้องไว้ก่อนคือการเพ่งถ้าเพ่งไว้เมื่อไหร่นะจะไม่มีอะไรให้ดูทุกอย่างมันจะนิ่งไปหมดเลย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 รู้สึกไม่เริ่มนิ่งนละรู้สึกหมเพราะอะไรเพราะจงใจจะดูผิดนะต่อไปนี้เลิกดูจิตฟังหลวงพ่อพูดต่อเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังรู้สึกไหมใจเริ่มคลายได้ยินว่าจะได้ฟังนิทานได้ยินว่าจะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้นะใจเราเริ่มผ่อนคลายเรารู้ว่าใจผ่อนคลายแต่ถ้าเราไปจ้องไว้ก่อนนะใจจะนิ่งรูปเดียวเลยไม่มีอะไรให้ดูเพราะฉั้นอะย่าไปจ้องไว้ก่อน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 ปกติเวลาเราไปรู้อะไรเนี่ยจิตเราชอบไหลไปที่นั้นะนะเราลองดูอา้าวทุกคนดูพระพุทธรูปดูบนยอดนะเอาเฉพ้อาตรงยอดแล้วสังเกตให้ดีมีอยู่หลายแฉกมีกี่แฉกดูให้ดีเด็กๆรู้สึกไหมใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระเอาแล้วพอละหลวงพ่อไม่ได้ต้องการให้ดูพระหลวงพ่อต้องการให้รู้ทันว่าขณะที่เราจงใจไปดูพระเนี่ยจิตเราวิ่งไปอยู่ที่พระอันนี้ดูออกอไห อันเนี้ยเรียกว่าเวลาเรารู้อะไรนะจิตเราถลำลงไปรู้จิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราไม่สักว่ารู้ว่าเห็นแต่เวลารู้นั้นมันถลำลงไปอา้าวลองเปลี่ยนจากรู้พระมารู้อา้าวรู้พัดแผน่นอ้าวมาดูพัดนี่ตั้งใจดูแล้วในพัดเขียนว่าอะไรรู้สึกไหมเวลาเราดูพัดเนี่ยใจเราวิ่งมาที่พัดใช่ไหมแต่พอเราอ่านหนังสือปุ๊บสังเกตไหมใจ ม, มันคิดมันคิดว่าพระปลาโมดปลาโมดโฉ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 จำไว้อย่างหนึ่งนะการเรียนกรรมฐานการเรียนวิปัสสนากรรมฐานไม่มีคําว่าบังคับเลยมีแต่รู้ตามความเป็นจริงถ้าบังคับเมื่อไหร่เครียดทําผิดล้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เทาใจเราไหลไปนะยังดูพระใจก็ไหลไปที่พระเราก็รู้ทันเราคิดถึงเพื่อนใจเราไหลไปอยู่ในโลกของความคิดอันนี้ดูออกหรือยังเวลาเราคิดถึงใครสักคนนใจเราหลงไปอยู่ในความคิดในขณะนั้นเราลืมกายลืมใจตัวเอง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 พอรู้ทันนะใจมันจะถอนตัวขึ้นเองมันจะมาเป็นคนดูห่างๆนี่ข้อสองนะนี่กฎของการดูจิตนะข้อที่หนึ่งอย่าอยากดูนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เนะช่นโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโลภกฎข้อที่สองระหว่างดูเนี่ยดูห่างๆนะอย่ากระโจนลงไปดูไม่เหมือนดูโทรทัศน์นะใจไหลเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์เลยใช้ไม่ได้ดูห่างๆ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 ใจเราเห็นสมมติเราเห็นสาวสวยขึ้นมาใจเรามีราคะไม่ต้องหาทางทําให้ราคะดับไปโดยเฉพาะไม่ต้องหาทางให้สาวดับไปด้วยไม่ต้องหาทางให้ราคะดับไปรู้ลูกเดียวว่าใจมีราคะถ้าใจไม่ชอบราคะเห็นไมไม่เป็นกลางแล้วใจเกลียดราคะอยากให้ราคะหายไปรู้ทันว่าใจเราเกลียดราคะใจเราไม่เป็นกลางถ้ามีความสุขเกิดขึ้นใจเราชอบให้รู้ทันว่าใจเราชอบ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปรู้สภาวะรู้อารมณ์ทั้งหลายแล้วเนี่ยใจเรายินดีขึ้นมาคือเราชอบขึ้นมาก็ให้รู้ใจเรายินร้ายคือเกิดความเกลียดชังสภาวะนั้นขึ้นมาก็ให้รู้ถ้ารู้ทันนะต่อไปใจจะค่อยๆเป็นกลางเราจะรู้สภาวะทั้งหลายอย่างเป็นกลางนี่คือกฎข้อที่สามกฎข้อที่สี่ทำบ่อยๆพ อ, อทำบ่อยๆแล้วกฎข้อที่ห้า